การรักษาโรคด้วยอำนาจจิตโดยธรรมดาเมื่อร่างกายเจ็บป่วยเราก็ต้องรักษาด้วยการรับประทานยาและเข้าใจกันว่ายาที่รับประทานเข้าไปหรือฉีดเข้าไปทางเส้นโลหิตหรือจะให้โดยวิธีไหนก็ตามคือสิ่งสำคัญที่จะรักษาโรคให้หายเพราะยาบางอย่างก็สามารถที่จะฆ่าเชื่อโรคได้หรือทาให้โรคหยุดเจริญได้ หรือไม่ก็ช่วยสร้างความแข็งแรงสร้างความต้านทานให้กับร่างกายได้ผลที่เกิดจากการใช้ยาเราเห็นได้ชัดและในทางการแพทย์ก็สามารถที่จะอธิบายได้อย่างดีว่ายาแต่ละอย่างเมื่อเข้าไปสู่ร่างกายแล้วจะออกฤทธิ์อย่างไรบ้างอันที่จริงการรักษาโรคด้วยการใช้ยาเป็นสิ่งจำเป็นเพราะสภาพของร่างกายเป็นวัตถุและประกอบขึ้นจากสิ่งที่เป็นวัตถุฉะนั้น ร่างกายจึงย่อมต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของวัตถุแต่ถ้าหากเราเข้าใจเพียงแค่นี้ก็จะทำให้การรักษาโรคไม่ค่อยจะได้ผลเท่าที่ควรจะได้เพราะความจริงตัวการที่ทำหน้าที่รักษาโรคหรือถ้าหากจะพูดให้ถูกต้องจริงๆคือช่วยรักษาร่างกายให้เป็นปกติและมีความแข็งแรงอยู่เสมอนั้นคืออำนาจจิตในตัวเรานั่นเองขอให้สังเกตว่า เราจะรับประทานยาหรือไม่รับก็ตามจิตในร่างกายของเราก็ทำหน้าที่อันนี้อยู่แล้วแม้ในกรณีที่เรารับประทานยาเข้าไปหรือฉีดยาเข้าไปก็ตามแล้วในที่สุดโรคก็หายนั้นตัวการที่ช่วยทำให้ยามีประสิทธิภาพจนกระทั่งโรคหายก็คืออำนาจจิตอีกเหมือนกันเรื่องอย่างนี้ถ้าหากรอศึกษาเรื่องของชีวิตแต่เพียงในสภาพของมนุษย์ก็ยากที่จะเข้าใจได้แจ่มแจ้ง แต่ถ้าหาศึกษาจากชีวิตของพวกโอปปปาติกะให้เข้าใจโดยละเอียดแล้วเราก็จะมองเห็นชัดว่าในร่างกายของมนุษย์ก็มีกฎเกณฑ์อย่างเดียวกันกล่าวคือร่างกายจะเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยวิญญาณร่างกายจะทํางานเป็นปกติอยู่ได้ก็ต้องอาศัยวิญญาณโรคจะหายก็เพราะอาศัยวิญญาณทุกอย่างขึ้นอยู่กับวิญญาณทั้งสิน้นเพราะฉะนั้น สำหรับคนที่เข้าใจเรื่องเหล่านี้ดีก็จะเห็นว่าการรักษาโรคโดยอาศัยอำนาจจิตหรือวิญญาณ น, นั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้เช่นอาศัยน้ำมนต์อาศัยการเสกเป่าหรืออาศัยการรักษาทางสมาธิโดยตรงคือการส่งประแสจิตเข้าไปช่วยเพิ่มพลังให้กับวิญญาณในตัวคนป่วยอย่างนี้เป็นต้นแต่อย่างไรก็ดีคนที่จะสามารถรักษาโรคโดยอำนาจจิตจนกระทั่งโรคหายนั้น ในสมัยปัจจุบันหาได้ยากมากถึงแม้ในสมัยโบราณที่ทำได้จริงๆก็มีน้อยแต่ด้วยหลักส่วนใหญ่แล้วต้องประกอบกันทั้งสองอย่างคือต้องอาศัยทั้งอาหารและยาตลอดถึงวิธีรักษาอย่างอื่นเช่นการนวดการประครบการผ่าตัดเป็นต้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นของจำเป็นเพราะลำพังอำนาจจิตอย่างเดียวช่วยไม่ได้ เนื่องจากอำนาจจิตที่มีอยู่มีน้อยมากไม่เพียงพอที่จะนำไปใช้ในการรักษาโรคคนที่จะรักษาทาง จ, จิตให้ได้ผลจริงๆโดยไม่ต้องใช้ยาเลยนอกจากใช้อาหารเท่านั้นจะต้องเป็นคนที่มีอำนาจจิตสูงมากซึ่งคนอย่างนี้หาได้ยากอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นการรักษาทางยาจึงเป็นสิ่งจำเป็นมาทุกยุคทุกสมัย ที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วว่าแม้ในกรณีที่เราเห็นได้ชัดว่าโรคนี้หายเพราะการใช้ยาเพราะการผ่าตัดหรือเพราะกรรมวิธีทางการแพทย์อย่างใดก็ตามการที่โรคหายไปได้นั้นก็ขึ้นอยู่กับอำนาจจิตยอย่างเดียวกันทั้งนี้ก็เพราะจิตหรือวิญญาณเป็นตัวการสำคัญที่ควบคุมการเกิดการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างภายในร่างกายมาตั้งแต่เกิด อย่าลืมว่าพฤติกรรมทุกอย่างในร่างกายเป็นพฤติกรรมที่มีความหมายซึ่งแสดงให้เห็นว่าเกิดมาจากวิญญาณทั้งสิ้นพฤติกรรมทุกอย่างในร่างกายเป็นพฤติกรรมที่มีความหมายคืออธิบายได้ว่าทำไปเพื่ออะไรหรือมีจัตนาอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งแสดงให้เห็นว่าเกิดมาจากวิญญาณทั้งสิ้น คำว่าสิ่งที่เกิดมาจากวิญญาณล้วนมีความหมายทั้งสิ้นนั้นดูคำอธิบายโดยละเอียดได้จากหนังสือเรื่องวิญญาณคืออะไรนะครับสิ่งที่ควรจะสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือคนก็ดีสัตว์ก็ดีแม้จะกินอาหารอย่างเดียวกันแต่ผลที่เกิดขึ้นกก่ร่างกายไม่เหมือนกันเสมอไปเช่นสัตว์บางประเภทแม้ว่าจะกินพวกพืชเป็นอาหาร แต่ก็มีความแข็งแรงพอๆกันกับสัตว์ที่กินเนื้อเป็นอาหารเช่นแรดเป็นสัตว์ที่กินพืชเป็นอาหารแต่ก็มีความแข็งแรงไม่แพ้สิงโตหรือเสือขอให้สังเกตดูให้ดีว่าคนบางคนรับประทานอาหารที่ดีอยู่เสมอแต่ร่างกายก็ไม่สู้จะก้อยแข็งแรงซึ่งตรงกันข้ามกับคนบางคนทั้งที่รับประทานอาหารไม่ค่อยจะดีนักแต่ร่างกายก็แข็งแรงสมบูรณ์ดี การที่เป็นเช่นนี้บางคนอาจจะตอบว่าเป็นเพราะระบบการย่อยไม่เหมือนกันหรือเป็นเพราะอาวัยวะในร่างกายมีความแข็งแรงหรือมีความสมบูรณ์ไม่เหมือนกันเช่นคนหนึ่งกำลังป่วยอยู่แม้จะรับประทานอาหารดีๆได้มากพอสมควรแต่ก็จะไม่แข็งแรงเท่ากับคนที่ร่างกายเป็นปกติซึ่งถึงแม้จะกินอาหารอย่างเดียวกันและในปริมาณที่เท่ากันแต่ผลที่เกิดไม่เหมือนกัน คำตอบในทนองนี้ล้วนแต่มีเหตุผลน่าเชื่อทั้งสิน้นและก็ควรจะเชื่อด้วยแต่อย่างไรก็ดีถ้าเข้าใจเพียงแค่นี้จะไม่ช่วยให้เรามีสุขภาพทั้งร่างกายสมบูรณ์ได้จริงๆเลยเพราะฉะนั้นจึงเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่จะรู้เรื่องนี้ให้ตลอดซึ่งในเมื่อเข้าใจจริงๆแล้วความปรารถนาในอันที่จะให้มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์อยู่เสมอนั้นจะเป็นอันหวังได้อย่างแน่นอน และการที่เราจะรู้เรื่องนี้ได้โดยตลอดก็ไม่มีทางอื่นนอกจากจะต้องเรียนให้รู้ว่าสภาพร่างกายของพวกโอปปาติกะทั้งหลายเกิดขึ้นมาได้อย่างไรและทาไมบางคนหลังจะกตายแล้วก็ยังป่วยอยู่ยังพิการอยู่แต่ทำไมบางคนก็หายเป็นปลิดทิ้งร่างกายที่เกิดใหม่มีความสมบูรณ์ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไม่มีความพิการแต่อย่างใด กายทิพย์คือที่มาของกายเนื้อกายทิพย์คือที่มาของกายเนื้อทฤษดีอันนี้ต้องพยายามศึกษาให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งเสงก่อนจึงจะสามารถเข้าใจได้ว่าการรักษาโรคด้วยอำนาจจิตทำไมจึงทำให้โรคหายได้ซึ่งถ้าพูดกันถึงความจริงในขั้นมูลฐานแล้วโรคทุกอย่างจะรักษาให้หายได้อย่างเด็ดขาดไม่มีทางที่จะเป็นได้อีกนั้น ก็คือต้องรักษาโรคด้วยอำนาจทางจิตหมายความว่าถ้าหากเราสามารถทาให้วิญญาณที่ก่อให้เกิดโครงสร้างของร่างกายเป็นปกติอยู่ได้เสมอไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นโรคที่เป็นอยู่ก็จะหายและจะไม่เป็นอีกด้วยแต่การกระทําอย่างนี้ไม่ใช่ของง่ายเป็นการยากมากอันหนึ่งการรักษาทางจิตที่จะได้ผลจริงๆนั้น ต้องเป็นการรักษาด้วยตัวเองหมายความว่าเราจะต้องพยายามเสริมสร้างสุขภาพทางจิตให้ค่อยๆสมบูรณ์ขึ้นจนกระทั่งสิ่งแวดล้อมไม่สามารถทำให้จิตเปลี่ยนแปลงไปตามอำนาจของมันได้เช่นผู้ที่พยายามอบรมจิตจนกระทั่งมีความเมตตากรุณาอย่างสูงได้มาตรฐานเข้าใจเรื่องชีวิตอย่างลึกซึ้งจนกระทั่งมีการปล่อยวางได้จริงๆ และพร้อมกันนั้นภายในจิตใจก็ได้พบกับความสงบและความแจ่มใสชนิดที่อยู่ตัวสําหรับคนประเภทนี้ใครจะมาด่ามาว่ามาขัดขวางหรือมาทาอันตรายใดๆก็ตามย่อมไม่สามารถจะทําให้บุคคลประเภทนี้ <c oughs> เกิดความโกรธหรือความขุ่นมัวขึ้นมาได้จากตัวอย่างเช่นนี้เราก็จะแลเห็นแล้วว่า สิ่งแวดล้อมไม่จำเป็นที่จะต้องมีอิทธิพลเหนือจิตใจเสมอไปแต่สำหรับคนที่จิตใจยังไม่ได้มาตรฐานแน่นอนสิ่งแวดล้อมย่อมมีอิทธิพลเหนือจิตใจในด้านสุขภาพก็เหมือนกันถ้าหากผู้ใดปรับปรุงจิตใจจนได้มาตรฐานแล้วโดยเฉพาะก็คือไม่ว่าจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นรุนแรงสักเพียงไร ก็ไม่อาจจะทำให้เกิดความทุกข์ในจิตใจขึ้นมาได้สำหรับบุคคลที่มีสุขภาพทางจิตได้มาตรฐานเช่นนี้เมื่อยังเป็นมนุษย์อยู่ร่างกายก็อาจจะเกิดโครคภัยไข้เจ็บได้จากการที่มีเชื้อโรคเข้าไปสู่ร่างกายหรือเพราะความผันแปรของดินฟ้าอากาศหรือเพราะอะไรก็ตามทางนี้ก็เนื่องมาจากร่างกายที่มีอยู่นั้นเป็นผลที่สืบเนื่องมาจากวิบากรรมเก่า เพราะฉะนั้นถึงแม้จะเป็นพระอระหรันต์เช่อนอย่างพระพุทธเจ้าโรคทางร่างกายก็ย่อมจะเกิดขึ้นได้แต่นี้เมื่อตายละทิ้งร่างกายเก่าไปแล้วร่างกายที่เกิดใหม่จากวิญญาณที่มีสุขภาพทางจิตอันสมบูรณ์นั้นจะไม่มีโรคเกิดขึ้นเลยซึ่งเรื่องนี้จะเห็นได้ชัดเจนก็จากชีวิตของพวกโอปปาติกะทั้งหลาย หเหตุผู้อ่านการเกิดใหม่ในที่นี้ท่านหมายถึงคนทั่วไปที่ไม่ได้เป็นพระอาหารหันต์นะครับและความจริงในทางพุทธอโรคียาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนั้นท่านหมายถึงนิพพานคือไม่ต้องเกิดอีกแล้วเมื่อไม่เกิดก็ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายแลวต้องเข้าใจนะครับว่าโรคที่อาจารย์พรหมหมายถึงนั้น คือโรคภัยแค่เจ็บที่จอนเข้ามาจะต่างจากโรคชราที่เป็นความเสื่อมของสังขารร่างกายที่ใครก็หลีกเลี่ยงไม่ได้โดยหลักอันเดียวกันถ้าหากผู้นี้ยังต้องมาเกิดในโลกมนุษย์อีกเพราะกิเลสยังไม่สิน้นแต่พื้นเดิมเป็นผู้มีสุขภาพทางจิตดีมากเมื่อมาเกิดในสภาพของมนุษย์ โรคภัยแค่เจ็บก็จะมีน้อยและที่จำเป็นจะต้องมีอยู่บ้างนั้นก็เพราะร่างกายของมนุษย์เป็นผลมาจากสาเหตุหลายอย่างโดยเฉพาะคือเป็นผลเนื่องมาจากกรรมพันธุ์ด้วยฉะนั้นในเมื่อพ่อแม่มีร่างกายอยู่ในฐานะที่จะเกิดโรคได้ร่างกายที่เกิดจากพ่อแม่อย่างนี้ถึงแม้วิญญาณที่มาปฏิสนธินั้นจะมีสุขภาพทางจิตสมบูรณ์สักเพียงไร ก็จาเป็นต้องมีโรคเกิดขึ้นบ้างไม่มากก็น้อยสำหรับในประเด็ดนนี้ขอให้พิจารณาจากตัวอย่างเทียบเคียงดังต่อไปนี้จะทำให้เข้าใจง่ายโดยธรรมดาคนที่จะเกิดมามีสมองดีหลักใหญ่ย่อมขึ้นอยู่กับวิบากของตัวแต่ถ้าหากมาเกิดในตระกูลที่พ่อแม่มีสมองไม่ค่อยจะดีนักหรือได้สิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี ลูกที่เกิดมาถึงแม้วิญญาณของเขาจะมีวิบากในทางสติปัญญาสูงสมองของเขาก็จะไม่ดีเท่าที่ควรแต่ถ้าหากมาเกิดในตระกูลที่พ่อแม่มีสมองดีด้วยและได้รับสิ่งแวดล้อมดีด้วยผู้ที่เกิดมาซึ่งมีวิบากมาดีนี้ก็ยอมจะมีสมองดีเป็นพิเศษซึ่งจะพิเศษแค่ไหนหรือพิเศษในทางไหนก็สุดแล้วแต่วิบาก ในทํานองเดียวกันคนที่จะเกิดมามีสุขภาพทางร่างกายสมบูรณ์แค่ไหนอย่างไรอย่าลืมที่จะนึกถึงเรื่องกรรมพันธุ์และสิ่งแวดล้อมด้วยส่วนพวกโอปปาติกะร่างกายของเขาเป็นสิ่งที่เกิดจากวิบากลุ่นล้วนไม่เกี่ยวกับกรรมพันธุ์และสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นผู้ที่ไปเกิดเป็นโอปปาติกะถ้าหากก่อนที่จะสิ้นใจเป็นผู้ที่มีสุขภาพทางจิตดี เราคือจิตใจผ่องใสไม่เป็นห่วงหรือกังวลถึงสิ่งใดๆไม่มีอะไรมาทำให้เกิดความเศร้าหมองสำหรับบุคคลประเภทนี้แม้ว่าก่อนที่จะตายร่างกายจะเจ็บป่วยอย่างไรหรือพิการอย่างไรก็ตามแต่เมื่อเป็นโอปปาติกะแล้วร่างกายจะสมบูรณ์ทุกอย่างแต่ถ้าหากต่อไปจะเกิดไม่สบายร่างกายเกิดเจ็บป่วย หรือเกิดความพิการอันใดขึ้นมาก็เนื่องมาจากในตอนนั้นสุขภาพทางจิตเสื่อมกล่าวคือบางคนเนื่องจากความไม่สบายใจที่มีอยู่มีรากฐานไม่มั่นคงในจิตใจส่วนลึกยังมีความอ่อนแอรหรือมีวิบากของความทุกข์สะสมเอาไว้มากซึ่งมันพร้อมที่จะเกิดขึ้นเสมอถ้าหากได้สิ่งบ้านล้อมที่ยั่วให้วิบากอันนั้นเกิดขึ้น ถ้าหากเป็นอย่างนี้โอปปปาติกะผู้นั้นก็จะเกิดโรคภัยแค่เจ็บขึ้นมาได้ตามวิบากที่มีอยู่โอปปปาติกะคือกำเนิดประเภทหนึ่งที่ผุดขึ้นโตทันทีได้แก่เทวดาพรมสัตว์นรกเปรตอสุรกายและมนุษย์บางจำพวก กายทิพย์คือที่มาของกายเนื้อหลักอันนี้เป็นความจริงสําหรับมนุษย์ทุกคนกล่าวคือในขณะที่วิญญาณมาปฏิสนธิในท้องแม่นั้นในทันทีที่วิญญาณปฏิสนธิมันจะสร้างกายทิพย์ขึ้นมาก่อนซึ่งกายทิพย์ที่เกิดในขณะที่วิญญาณอยู่ในท้องแม่นั้นเนื่องจากด้รับอิทธิพลจากกรรมพันธ์เพราะฉะนั้นกายทิพย์ที่เกิดขึ้นในระยะนี้จะผิดแผกไปจากกายทิพย์ก่อนที่จะมาปฏิสนธิ กายทิพย์ที่เกิดขึ้นภายหลังที่วิญญาณมาปฏิสนธิแล้วอันนี้แหละคือแบบฉบับของกายเนื้อซึ่งหมายความว่ากายทิพย์เป็นอย่างไรมีรูปร่างลักษณะอย่างไรกายเนื้อก็จะออกมาในรูปนั้นความเจริญเติบโตของกายเนื้อย่อมขึ้นอยู่กับกายทิพย์และกายทิพย์ก็ขึ้นอยู่กับวิบากหลักอันนี้เป็นสิ่งที่เข้าใจยากสำหรับคนทั่วไป แต่ถ้าหากคนไหนเข้าใจได้ก็จะทำให้เข้าใจอย่างชัดเจนทีเดียวว่าเพราะเหตุไรการรักษาโรคด้วยอำนาจจิตจึงเป็นสิ่งที่เป็นไปได้แต่ก็อย่าลืมว่าไม่ใช่จะรักษาโรคได้ทุกอย่างแม้ว่าผู้ที่ทำการรักษาจะมีอำนาจจิตสูงเท่ากับพระพุทธเจ้าก็ไม่อาจจะรักษาได้ทุกรายเพราะการเปลี่ยนวิบากของคนไม่ใช่ทาได้ไง่าย ขอให้นึกถึงตัวอย่างที่ว่าพระพุทธเจ้าแม้จะทรงมีความสามารถในการสอนสูงยิ่งกว่าใครๆทั้งหมดแต่ถึงกระนั้นพระองค์ก็ทรงสอนคนให้สำเร็จมรรคผลได้แต่เพียงบางคนเท่านั้นการรักษาโรคด้วยอนานาจจิตก็เช่นเดียวกันจะรักษาให้หายได้เฉพาะบางคนและก็เฉพาะบางโรคเท่านั้นทั้งนี้เพราะมันขึ้นอยู่กับสาเหตุหลายอย่าง ซึ่งบางอย่างก็แก้ได้แต่บางอย่างก็แก้ไม่ได้อันหนึ่งเพื่อต้องการที่จะให้ท่านผู้อ่านได้ทราบตัวอย่างจริงๆสักรายหนึ่งซึ่งข้าพเจ้าได้มีโอกาสสักถามความเป็นไปกับโอปปาติกะผู้หนึ่งซึ่งเขาได้เล่าให้ฟังถึงสภาพชีวิตหลังจะกตายและได้เล่าถึงประวัติของตัวเองในสมัยที่ยังเป็นคนอยู่ด้วยจากตัวอย่างอันนี้ บางทีอาจจะทำให้ท่านผู้อ่านเข้าใจเรื่องนี้ดีขึ้นสําหรับเรื่องนี้ถูกตีพิมพ์ไปแล้วในหนังสือชุดเวาเสียงสวรรค์ท่านที่เคยฟังเคยอ่านมาแล้วก็ถือว่าฟังทบทวนนะครับเรื่องจันทากุมารีจันทากุมารีเป็นชื่อของโอปปปาติกาผู้หนึ่ง ซึ่งอยู่ในประเภทที่เราเรียกกันว่านางฟ้าหรือเทพธิดาท่านผู้นี้ได้รู้จักกับข้าพเจ้ามานานไม่น้อยกว่า8ปีแล้วข้าพเจ้าได้ถามถึงเรื่องชีวิตของเขาเมื่อตอนอยู่ในโลกมนุษย์และเมื่อตอนอยู่ในโลกทิพย์โดยผ่านทางคุณสีเพนด้วยวิธีติดต่อทางสมาธิเขาได้เล่าให้ฟังว่าเขาเป็นคนที่เกิดอยู่ในแคว้นแคชเมียร์ประเทศอินเดียและได้ตายจากโลกมนุษย์มาประมาณ40ปีเศษ บิดาเป็นนายแพทย์ปริญญาทำงานอยู่ในโรงพยาบาลซึ่งเป็นของรัฐและมีคลินิกส่วนตัวมารดาเป็นพยาบาลทั้งบิดาและมารดาเป็นบุคคลที่อยู่ในวรรณะกษัตต์ตัวเองเป็นลูกสาวคนเดียวของตระกูลนี้และได้จบการศึกษาในมัธยมบริบูรณ์คือไฮ h o ู l เมื่ออายุ15ปีแต่เนื่องจากมีสุขภาพทางร่างกายไม่ค่อยดีเป็นโรคหัวใจอ่อนจึงไม่เรียนต่อในขั้นมหาวิทยาลัย ทั้งที่บิดาและมารดามีความปรารถนาที่จะให้เรียนแพทย์เมื่อออกจากโรงเรียนแล้วส่วนมากก็อยู่กับบ้านช่วยบิดามารดาทำงานในบ้านแต่ไม่ค่อยได้ทำอะไรเพราะมีคนช่วยทำงานทุกอย่างอยู่แล้ววันหนึ่งวันหนึ่งจึงได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างสบายบิดามารดาตามใจทุกอย่างมารดาเป็นคนที่เร่งในทางศาสนา และตัวเขาเองก็สนใจในทางศาสนานั่งสมาธิทุกวันโดยไม่เข้าใจว่าการทำสมาธิคือทำอย่างไรแต่เขาต้องการที่จะเห็นพระผู้เป็นเจ้าจึงได้สนใจนั่งสมาธิและเชื่อว่าพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้สร้างโลกและสิ่งทั้งปวงในโลกใครจะเกิดมามีสุขมีทุกข์อย่างไรมีโชคชะตาวาสนาอย่างไรก็สุดแล้วแต่พระผู้เป็นเจ้าจะทรงประทานให้ ในตระกูลของเขานับถือศาสนาฮินดูและภายในบ้านก็มักจะพูดกันแต่ภาษาอังกฤษเป็นส่วนมากในเวลาที่เขานั่งสมาธิก็เพียงแต่ทำใจให้สงบนึกถึงพระผู้เป็นเจ้าอธิษฐานขอให้พระผู้เป็นเจ้าช่วยในสิ่งที่เขาปรารถนาและบูชาพระผู้เป็นเจ้าด้วยดอกไม้ทุกวันเขาได้ตายจากโลกมนุษย์เมื่ออายุได้ยี่สิบปีและไม่ได้แต่งงาน ในวันที่เขาจะตายนั้นเขาได้เล่าว่าวันนั้นรู้สึกเพลียมากแต่ก็ไม่ได้เจ็บป่วยถึงกับนอนมาก่อนยังคงไปไหนมาไหนได้ตามปกติตอนนั้นเขารู้สึกว่าตัวเองกำลังจะเป็นลมจึงเป็นนั่งพักอยู่ที่เก้าอี้โซฟาในใจก็นึกถึงแต่พระผู้เป็นเจ้าแล้วรู้สึกว่าในขณะนั้นใจสบายแล้วรู้สึกถึงการหมุนเวียนของโลหิตในร่างกายได้ชัดทุกขุมขนแล้วรู้สึกว่า ใจไปอยู่รวมอยู่ที่จุดจุดหนึ่งซึ่งทําให้จิตใจสบายมากเพราะนึกถึงแต่พระผู้เป็นเจ้าในตอนนี้ในทางร่างกายจะนั่งหรือจะนอนอย่างไรไม่รู้และใครจะทําอย่างไรบ้างก็ไม่ทราบมีความรู้สึกทางประสาทยอยู่อย่างเดียวคือได้กลิ่นหอมและเข้าใจว่าคงจะเป็นกลิ่นยาดมหรือไม่ก็กลิ่นดอกไม้ที่เขานํำมาไว้ข้างๆนอกจากนี้ไม่รู้สึกอะไรเลย และไม่สนใจอะไรทั้งสิน้นเพราะในใจนึกถึงแต่พระผู้เป็นเจ้าและอธิษฐานขอให้พระองค์พาไปยังดินแดนของพระองค์และในที่สุดก็มารู้สึกตัวว่าตัวเองได้มายืนอยู่ในกลุ่มหมอกบางใสล้อมรอบอยู่โดยทั่วไปสิ่งอื่นนอกจากนี้มองไม่เห็นอะไรแต่ยังคงได้กลิ่นดอกไม้อยู่และในใจก็นึกอยากจะได้ดอกไม้ไปบูชาพระผู้เป็นเจ้าและนึกในใจว่า อยากจะชวนเพื่อนไปเก็บดอกไม้มาบูชาพระผู้เป็นเจ้าแต่ยังไม่ทันจะได้ไปไหนก็ปรากฏว่ามีดอกไม้อยู่ที่มือทั้งสองแล้วจึงรู้สึกแปลกใจว่าดอกไม้นี้มาได้อย่างไรเพราะตัวเองก็ยังคงยืนอยู่กับที่ยังไม่ได้ไปไหนและคนอื่นนอกจากตัวเองก็ไม่มีใครเพียงแต่นึกว่าอยากจะได้ดอกไม้ดอกไม้ก็ามาอยู่ที่มือแล้วจึงจเฉลียวใจว่า หรือว่าเราได้ตายจากโลกมนุษย์มาแล้วพอนึกขึ้นมาอย่างนั้นก็ได้ลายเห็นภาพของตัวเองนอนอยู่บนโซฟาตัวเดียวกันกับที่ไปนั่งตอนที่รู้สึกว่าจะเป็นลมและลายเห็นบีดามานดาและคนอื่นกําลังจุลมนุษวุ่นวายกันอยู่โดยเฉพาะบิดากําลังใช้เครื่องฟังหูฟังอยู่ที่หัวใจส่วนมารดาและคนอื่นๆกาลังประครบด้วยน้าร้อนและนวดเขาบอกว่า ในขณะนั้นแม้จะเห็นอย่างนั้นก็ไม่สนใจเพราะคิดเสียว่าเขากําลังวุ่นวายกันไม่อยากจะเข้าไปยุ่งคิดว่าจะไปเที่ยวในดินแดนของพระผู้เป็นเจ้าเสียก่อนและจึงจะกลับมาภายหลังพอรู้สึกอย่างนั้นภาพที่เห็นในโลกมนุษย์ที่กําลังวุ่นวายกันอยู่นั้นก็หายไปทันทีเมื่อเล่ามาถึงตอนนี้ข้าพเจ้าได้ถามเขาว่าหมายความว่า ตอนนี้เขาได้ตายแล้วใช่ไหมเขาบอกว่าเขาไม่รู้และไม่ได้นึกว่าตัวเองได้ตายเพราะยังตั้งใจว่าจะกลับมาแต่เทพเจ้าอีกอง์หนึ่งซึ่งในขณะที่กำลังเล่าเรื่องนี้กันอยู่ท่านได้อยู่ด้วยท่านได้อธิบายให้ฟังว่าตอนที่จันทากรมารีได้กลิ่นหอมตอนนั้นก็ยังไม่ตายแม้ตอนที่รู้สึกตัวว่าตัวเองอยู่ในกลุ่มหมอก ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ตายสายใยระหว่างกายเนื้อกับกายทิพย์ยังไม่ขาดความตายได้เกิดขึ้นจริงๆซึ่งหมายถึงสายใยของชีวิตขาดก็เมื่อตอนที่จันทากุมารีได้เห็นภาพของตัวเองที่กำลังนอนอยู่บนโซฟาแต่แล้วก็ไม่สนใจภาพนั้นก็หายไปทันทีความตายเพิ่งเกิดขึ้นในตอนที่ภาพในโลกมนุษย์หายวับไปทันทีนี่เอง และท่านได้อธิบายให้ฟังอีกว่าร่างกายที่ปรากฏยืนอยู่ในกลุ่มหมอกนั่นคือกายทิพย์และที่เห็นภาพของตัวเองในโลกมนุษย์คือเห็นว่าตัวเองนอนอยู่บนเก้าอี้โซฟาและเห็นใครต่อใครนั้นเป็นการเห็นด้วยตาของกายทิพย์และสถานที่ที่ยืนอยู่ซึ่งมีตะหมอกบางใสนั่นคือปากทางของภูมิในโลกสวรรค์ที่ตัวเองจะเข้าไปอยู่ และกลิ่นหอมที่ได้ครั้งแรกนั้นเป็นกลิ่นที่ประสาทของกายเนื้อรู้สึกในท่านองเดียวกันกับคนบางคนนอนหลับเพลิ้มๆซึ่งอาจจะได้กลิ่นหรือได้ยินเสียงอะไรก็ได้แล้วก็เก็บเอาไปสร้างเป็นเรื่องในความฝันแต่สำหรับนเรื่องของจันทากูมารีกลิ่นนี้เขารู้สึกด้วยประสาทของกายเนื้อในตอนที่เขาสลบไปนั้นอันนี้คือสื่อสาคัญที่ทาให้เขานึกถึงดอกไม้ ที่เขาจะออกไปบูชาพระผู้เป็นเจ้าเพราะในขณะนั้นในใจก็นึกถึงแต่เรื่องพระผู้เป็นเจ้าอยู่แล้วและถือว่าเป็นนิมิต ท, ที่ดีที่จะพาวิญญาณไปสู่สวรรค์จากเรื่องของจันทากุมารีที่เล่าให้ฟังนี้ท่านจะได้ข้อสังเกตยู่ได้หลักว่าในขณะที่คนเรากำลังจะตายแม้จะเป็นลมตาย ซึ่งในขณะที่เป็นลมนั้นถ้าเรามองดูจากภายนอกก็จะเห็นว่าเขาไม่รู้สึกตัวแต่ความเป็นจริงก่อนที่จะสิ้นใจแม้ภายนอกจะไม่รู้สึกแต่ภายในก็ยังรู้สึกยังได้กลิ่นหอมของดอกไม้ซึ่งกลิ่นดอกไม้ที่เขารู้สึกในตอนนั้นเขาบอกว่าเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นกลิ่นน้ำหอมหรือยาดมหรือว่าเป็นกลิ่นดอกไม้ที่พ่อแม่หรือใครเอามาวางไว้ใกล้ เพื่อให้เขาบูชาพระผู้เป็นเจ้าหรือว่าเป็นกลิ่นดอกไม้ในโลกทิพย์ตอนนี้เขาไม่ทราบเพราะเขารู้สึกแปลกใจก็มา่ตอนที่พอเขาต้องการดอกไม้ก็มีดอกไม้มาปรากฏอยู่ที่มือทันทีซึ่งมาก่อนเขาไม่เข้าใจเหมือนกันว่าดอกไม้มาได้อย่างไรแต่เดี๋ยวนี้เข้าใจดีแล้วว่าดอกไม้เกิดจากอำนาจจิตของตัวเองที่เป็นกุศล และขอให้สังเกตว่าไม่ว่าจะเป็นคนที่นับถือศาสนาใดมาก่อนถ้าหากในขณะที่กำลังจะสิ้นใจจิตใจไม่สบายไม่เป็นห่วงหรือกังวลถึงสิ่งใดๆเมื่อตายแล้วร่างกายก็จะไม่มีการเจ็บป่วยเขาบอกว่าหลังจากที่เขาตายนั้นเขาก็รู้สึกว่าร่างกายก็เป็นปกติไปไหนมาไหนได้ทันทีไม่ต้องไปอยู่ในสถานที่พักฟื้น และเนื่องจากใจของเขามุ่งอยู่แต่ต้องการจะพบพระผู้เป็นเจ้าและถึงแม้จะทราบว่าตัวเองได้ตายแล้วก็ไม่เป็นห่วงไม่อะไรไม่เสียใจเพราะฉะนั้นเมื่อตายแล้วเขาจึงมีความสุขและได้ไปอยู่ในสวรรค์ทันทีแต่เขาก็บอกว่าตั้งแต่ตายจากโลกมนุษย์มาจนถึงบัดนี้เขายังไม่เคยพบพระผู้เป็นเจ้าดังที่เขานึกวาดภาพหรือเข้าใจมาก่อนเลย และมาบัดนี้เนื่องจากได้มาพบท่านผู้รู้หลายท่านในโลกทิพย์และเข้าใจดีว่าพระเจ้าต่างๆอย่างที่คนฮินดูทั่วไปนับถือนั้นไม่มีตัวตนที่แท้จริงแต่ก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากในการที่ผู้นำในทางศาสนานี้รู้จักเอาสิ่งที่เป็นคุณธรรมความดีต่างๆซึ่งเป็นนามธรรมและเป็นสิ่งที่จะช่วยยกวิญญาณของคนเราให้สูงขึ้นเอามาสร้างเป็นตัวบุคคล เพื่อให้ยึดถือเอาเป็นที่พึ่งสําหรับคนที่ไม่อาจจะเข้าใจเรื่องนามธรรมและไม่อาจจะยึดถือสิ่งที่เป็นนามธรรมเป็นที่พึ่งได้ขอให้สังเกตอีกครั้งหนึ่งว่าสภาพร่างกายในโลกของโอปปาติกะขึ้นอยู่กับจิตใจโดยตรงความเจ็บป่วยหลังจากตายจะคงมีอยู่หรือว่าจะหายไปหมด ก็ขึ kind of yes. exactly. ้นอยู่กับความสบายหรือความผ่องใสของจิตใจก่อนจะตายเมื่อก่อนจะตายใจผ่องใสสบายวิญญาณที่เกิดใหม่หลังจากจุติก็จะมีความผ่องใสและสบายแล้วร่างกายก็จะมีความสบายหายเจ็บป่วยทุกอย่างถ้าก่อนจะตายใจไม่ผ่องใสไม่สบายวิญญาณที่เกิดใหม่ก็จะไม่ผ่องใสและไม่สบายแล้วร่างกายก็ยังจะมีความเจ็บป่วยอยู่อีก ตัวอย่างเช่นนี้มีมากมายเช่นคนที่ฆ่าตัวตายหรือเกิดอุบัติเหตุตายหรือฆ่ากันตายหรือเป็นโรคตายแต่ใจเป็นห่วงอยู่กับทรัพสมบัติหรือพ่อแม่ลูกเมีายญาติพี่น้องหรือเป็นห่วงตัวเองหรือนึกได้แต่ความชั่วของตัวทำให้เห็นนิมิตที่ไม่ดีต่างๆทำให้ใจไม่สบายพวกนี้ตายแล้วร่างกายยังไม่หายป่วยทั้งสิน้นเคยเจ็บอย่างไร มีบาดแผลอย่างไรก็ยังคงเป็นอย่างนั้นแต่สำหรับจันทากุมารีก่อนตายใจสบายมากและใจเป็นกุศลอยู่ตลอดเวลาตายแล้วจึงสบายทันทีเรื่องของจันทากุมารียังมีแง่คิดอีกหลายอย่างแต่อย่างไรก็ดีขอให้ท่านผู้อ่านโปรดนึกถึงหลักที่พระพุทธเจ้าได้เคยตรัสไว้ว่า